เจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกๆ ท, ท, ท่านวันนี้เป็นวันจันทร์ที่ส3สาสิงหาคมพุทธศักราช5 5 0ตรงกับวันแรมส5บห้าค่ำเดือน8เป็นวันพระเป็นวันธรรมัสวนะ เป็นวันฟังธรรมและเป็นวันหยุดชดเชยเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมพน์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ตรงกับวันอาทิตย์คือวันที่ส2องที่ผ่านมาวันนี้จึงมีการหยุดชดเชยเพิ่มขึ้นอีกวันหนึ่งจึงได้มีศรัทธาญาติโยมมาวัด มาทำบุญกันเป็นจํานวนมากกว่าปกติเพราะมีทั้งผู้ที่มาประจำทุกวันพระแล้วก็มีผู้ที่มาวันที่ไม่ต้องไปทำงานวันหยุดเฉยๆการมาวัดนี้ก็เพื่อมาทำบุญทำกุศลเป็นการสร้างประโยชน์ให้กับตนและให้กับผู้อื่น นำมาซึ่งความล่มเย็นเป็นสุขและความเจริญโดยถ่ายเดียว <Yeah. S 1> การทำบุญนั้นก็มีการถวายของหลายอย่างด้วยกันโดยพื้นฐานก็ถวายอาหารขาวหวานทำบุญตักบาตรแล้วก็ถวายสังฆทานในกรณีพิเศษก็มีการถวายผ้าไตร และถ้าและพระพุทธรูปและถ้าเป็นเทศกาลเข้าพรรษาก็มีการถวายผ้าอาบนา้ำฝนและเทียนเพราะว่าเทียนนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นเพราะในสมัยโบราณไม่มีไฟฟ้าใช้ต้องอาศัยแสงเทียนเป็นเครื่องให้แสงสว่าง และเนื่องจากในสมัยโบราณไม่มีการศึกษาเหมือนกับในสมัยนี้คือไม่มีโรงเรียนไม่มีมหาวิทยาลัยผู้ที่ต้องการจะศึกษาหาวิชาความรู้ก็ต้องบวชเรียนดังนั้นจึงเป็นธรรมเนียมประเพณีของชาวไทยที่เป็นผู้ชายถ้ามีอายุย20ครบบริบูรณ ก็ต้องออกบวชเพื่อที่จะได้ศึกษาหาวิชาความรู้ไว้เป็นเครื่องนำพาชีวิตให้ไปสู่ความสุขความเจริญให้อยู่ห่างไกลจากความทุกข์และความเสื่อมเสียทั้งหลายดังนั้นเมื่อถึงเวลาเข้าพรรษาจึงมีผู้ที่มีจิตศรัทธามีอายุครบบวด ออกบวชกันเป็นจํานวนมากจึงต้องมีการทำเทียนถวายขึ้นเป็นกรณีพิเศษเพราะจะได้มีไว้ใช้ตลอดระยะเวลาสามเดือนด้วยกันการถวายเทียนนี้ก็เพื่อถวายให้ใช้เป็นแสงสว่างในยามค่ำคืนไม่ว่าจะเป็นการสวดมนต์ก็ดีหรือการศึกษาเริ่มเรียนก็ดี ก็ต้องอาศัยแสงสว่างในยามค่ำแต่ในสมัยปัจจุบันนี้เรามีไฟฟ้าแล้วเราก็เลยไม่เข้าใจว่าทำไมต้องถวายเทียนกันเพราะเป็นธรรมเนียมที่ได้ทำตามกันมาจนฝังอยู่ในชีวิตจิตใจของชาวพุทธชาวไทยเรา ในสมัยนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงไม่สวายเทียนก็ถวายพวกหลอดไฟสวายสิ่งที่จะทำให้เกิดแสงสว่างขึ้นมาแท น, นกันก็ได้เนี่ยแต่โดยหลักแล้วก็คือต้องการที่จะให้แสงสว่างแก่ผู้ที่มาบวชเพราะในยามค่ำคืนจะต้องมีการศึกษาเริ่มเรียนอ่านหนังสือนั่งหา ในสมัยโบราณนั้นการบวชนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะเมื่อบวชแล้วก็จะทำให้ผู้บวชนี้มีความรู้ที่จะเป็นที่พึ่งของตนได้ความรู้ในทางพระพุทธศาสนานี้สำคัญกว่าความรู้ทางโลกเป็นอย่างมากความรู้ทางโลกนั้นถึงแม้จะจบถึงขั้นปรินาเอกแล้วก็ตาม ถ้าไม่มีวิชาความรู้ทางาศาสนาเลยก็จะไม่เอาจะไม่สามารถเอาตัวให้รอดได้ดังที่มีสุภาษิต ท, ที่พูดไว้ว่าความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดคาว่าเอาตัวไม่รอดก็คือเอาตัวไม่รอดพ้นจากความทุกข์ความวุ่นวายใจทั้งหลายนั่นเองต่อให้เรียนจบถึงขั้นปริญญาเอกแล้วก็ต่างถ้าไม่ได้ศึกษา ความรู้ทางศาสนาแล้วจิตใจก็ยังจะต้องถูกความทุกข์ความวุ่นวายใจความเดือดร้อนใจความกังวลใจความหวาดกลัวคอยลุมเล้าจิตใจอยู่ตลอดเวลาเพราะไม่มีความรู้ที่จะช่วยจิตใจนั่นเองความรู้ทางโลกนี้เป็นความรู้เพื่อนำมาใช้ประกอบอาชีพทรมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง เป็นวิชาชีพแต่ไม่ใช่เป็นวิชาธรรมไม่ได้เป็นที่พึ่งไม่ได้เป็นสาระของจิตใจสาระของจิตใจที่เรากราบไหว้คือธรรมังสารนังกฐามิก็คือพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านี่เองถ้าเราไม่ศึกษาพระธรรมคําสอนมัวแต่ศึกษาแต่วิชาความรู้ทางโลกชีวิตของเราจะต้อง หลีกเลี่ยงจากความทุกข์ไปไม่ได้จะต้องร้องผมร้องไห้เศร้าโศกเสียใจเวลาที่เกิดสิ่งที่ไม่พึงปรารถนากับตนเช่นเกิดการพัดพลาดจากคนที่รักไปเกิดการพัดพลาดจากสิ่งที่รักไปเหล่านี้จะทําให้เรามีความทุกข์มีความเศร้าโศกเสียใจ และถ้าไม่ระวังหรือไม่มีสติปัญญาพอที่จะยับยั้งความทุกนี้ได้ก็อาจจะเป็นเหตุให้ทำลายชีวิตของตนเองได้มีคนเป็นจำนวนมากที่หลังจากสูญเสียสิ่งที่ตนรักไปแล้วไม่ว่าจะเป็นบุคคลก็ดีหรือเป็นวัตถุก็ดี <c oughs> ก็จะมีความเสียใจจนไม่มีความอยากจะอยู่ต่อไป อยากจะตายแล้วก็ตายสมใจเพราะอยู่ไปก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ไปทำไมนี่เป็นเพราะว่าไม่ได้ศึกษาไม่ได้ยินได้ฟังพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองถ้าได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็จะรู้จักหักห้ามจิตใจเพราะพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรารู้ว่าเราอยู่ในโลกของ ความไม่เที่ยงแท้แน่นอนเราอยู่ในโลกแห่งการเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในโลกแห่งการพัดพรากจากกันไม่มีใครที่จะอยู่ไปได้ตลอดไม่มีใครไม่แก่ไม่มีใครไม่เจ็บทุกคนจะต้องแก่สักวันหนึ่งจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยสักวันหนึ่งและจะต้องตายไปสักวันหนึ่งนี่คือสิ่งที่เราควรที่จะศึกษา ทำความเข้าใจแล้วก็นำมาสอนใจของเราให้รับกับความจริงนี้ให้ได้เพราะถ้าเรารับได้เราก็จะปรับใจของเราให้เตรียมตัวรับกับสภาพต่างๆคือเราจะไม่ยึดติดกับสิ่งต่างๆนั่นเองเมื่อเราไม่ยึดติดแล้วเวลาสิ่งต่างๆจากเราไปก็จะไม่ทำให้เราเสียอกเสียใจแต่ถ้าเราไม่ ไม่สอนใจเพื่อให้ปล่อยวางได้อะไรมาก็ดีอกดีใจมีความหลงยุดติดอยากจะให้อยู่กับตนไปนานๆอยากจะให้ดีไปนานๆแต่พอเกิดการเปลี่ยนแปลงไปหรือเกิดการสูญเสียไปก็จะต้องเศร้าโศกเสียใจแต่ถ้าเราไม่ยึดไม่ติดแล้วเราก็จะไม่หวังอะไร กับสิ่งที่เรามีอยู่สิ่งที่เราได้มามีมาก็ใช้มันไปดูแลรักษาไปตามอัตภาพตามความสามารถเมื่อถึงเวลาที่จะจากไปก็ปล่อยให้จากไปโดยดีไม่เป็นไรถ้ายังมีลมหายใจอยู่ถ้ายังต้องการอะไรก็หาใหม่ได้เพราะเวลาเราเกิดมาเราก็ไม่ได้เอาอะไรติดตัวมาเราก็มาตัวเปล่า แล้วเราก็มาหาสิ่งต่างๆหามาได้แล้วก็มีการจากเราไปก็ไม่เป็นไรจากไปเราก็หาใหม่ได้แต่ถ้าเราลุ่มหลงอยู่กับสิ่งที่เราได้มาอยากจะให้อยู่กับเราไปตลอดพอถึงเวลาที่ต้องจากเราไปเราก็จะทุกข์ทรมานใจอาจจะทนอยู่ต่อไม่ไปไม่ได้ เพราะความหลงความหลงนี้หลอกให้เราคิดว่าเราจะไม่สามารถอยู่ต่อไปได้แล้วซึ่งไม่ใช่เป็นอย่างนั้นเลยถ้าเรามีสติมีปัญญาคิดสักหน่อยก็คิดเสียว่าเราทำอะไรไม่ได้กับเรื่องของคนอื่นหรือกับเรื่องของสิ่งอื่นเขาจะมาเขาจะไปเราก็ไปห้ามเขาไม่ได้ ถ้าเราไม่ไปยึดไปติดกับเขาเขาจะมาเขาจะไปเราก็ไม่เดือดร้อนเช่นฝนตกอย่างนี้เป็นต้นเรารู้ว่าเราไปควบคุมบังคับฝนไม่ได้เราอยากจะให้ฝนตกทุกวันไม่ได้ฝนจะตกเมื่อไหร่เราก็ไปบังคับไม่ได้ฝนจะมาหรือไม่มาเราก็บังคับไม่ได้เราก็เลยไม่ได้ไปยึดติดกับฝน ปล่อยให้ฝนเป็นไปตามเรื่องของเขาฝนจะมาก็มาไปฝนจะไปก็ไปเราก็เลยไม่เดือดร้อนกับเรื่องฝนชันใดถ้าเราสอนจิตใจให้เราไม่ยึดติดกับสิ่งต่างๆแล้วเราก็จะไม่มีความเดือดร้อนกับสิ่งต่างๆใครจะมาใครจะไปใครจะเป็นใครจะตาย ก็ปล่อยให้เขาเป็นไปเราก็อยู่ของเราไปตามภาษาของเราเราสามารถอยู่ได้มีสามารถมีความสุขได้โดยที่เราไม่ต้องมีอะไรเลยถ้าไม่เช่นนั้นแล้วพระพุทธเจ้าก็ดีพระอาหารหันต์ทั้งหลายก็ดีท่านจะอยู่ไม่ได้ท่านอยู่ได้เพราะว่าท่านรู้วิธีอยู่โดยที่ไม่ต้องมีอะไรให้ความสุขกับท่าน ท่านสามารถหาความสุขภายในตัวของท่านได้หาความสุขภายในใจของท่านได้วิธีหาความสุขภายในใจก็คือวิธีก็คือการทําบุญให้ทานการรักษาศีลการภาวนาทําจิตใจให้สงบทําจิตใจให้จลาดให้รู้ทันสิ่งต่างๆว่าเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าไม่ให้ความ ไม่ได้ให้ความสุขกับเราอย่างแท้จริงไม่ใช่เป็นสมบัติของเราอย่างแท้จริงนี่คือสิ่งที่เราสามารถทำให้กับตัวเราได้ถ้าเราทาบุญให้ทานอยู่เรื่อยๆไม่หวงสมบัติเข้าของเงินทองมีเกินจําเป็นเกินความจําเป็นมีเหลือใช้ก็ไม่เก็บเอาไว้ให้เป็นภาระต้องมาคอยดูแลรักษา เอาไปช่วยเหลือผู้อื่นเห็นใครตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อน mm. ก็เอาไปช่วยเขาเมื่อเราทำอย่างนี้บ่อยๆใจของเราก็จะไม่ยึดติดกับข้าวของเงินทองต่างๆเวลาเกิดเสียเกิดเสียข้าวของเงินทองไปเราจะไม่รู้สึกเสีย อ, อกเสียใจจะรู้สึกว่าสบายใจเสียอีกหมดปัญหาไปหมดไม่ต้องมาคอยดูแลถ้าไม่พอก็หาใหม่ได้ แต่เราจะอยู่แบบประหยัดมัธยัติเราจะไม่ใช้เงินแบบฟุ่มเฟือยจะไม่ซื้อของฟุ่มเฟือยมาเพราะเรารู้ว่าของฟุ่มเฟือยต่างๆนั้นไม่ได้ให้ความสุขกับเราอย่างแท้จริงให้ความสุขเพียงวันสองวันได้อะไรมาใหม่ๆก็ดีอกดีใจแล้วหลังจากนั้นก็เก็บเอาไว้ในตู้ไม่ได้สนใจกับมันอีกแล้วก็อยากจะได้ใหม่อีก เสื้อผ้าจึงเต็มตู้ล้นตู้รองเท้ามันจึงเต็มตู้ล้นตู้แต่ใจก็ยังหิวยังอยากยังต้องการอยู่เพราะว่าไม่ได้ดูแลรักษาใจให้ถูกนั่นเองวิธีที่จะดูแลรักษาใจให้อิ่มให้สุขให้พอต้องเอาเงินที่เราจะไปซื้อของฟุ่มเฟือยนี้ไปแจกให้ผู้อื่นเอาไปช่วยเหลือผู้อื่นอาป่อยทาบุญทําทาน ก็เมื่อเราได้ช่วยเหลือผู้อื่นแล้วใจของเราจะมีความสุขใจมีความภูมิใจมีความอิ่มเอิบใจมีความพอใจไม่เหมือนกับเวลาที่เราเอาเงินไปเที่ยวไปซื้อของฟุ่มเฟือยเราจะไม่มีความรู้สึกอย่างนี้แต่มีแต่ะความรู้สึกอ้างว้างเป่าเปลี่ยวอยากจะได้ออกไปเที่ยวอีกอยากจะได้ไปซื้อข้าวซื้อของอีก แต่ถ้าได้ทำบุญช่วยเหลือผู้อื่นแล้วเราจะอยู่บ้านอย่างมีความสุขไม่คิดอยากจะออกไปเที่ยวไม่คิดอยากจะออกไปซื้อของฟุ่มเฟือยถ้ามีเงินมีทองก็คิดอยากจะไปช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เรื่อยๆเพราะทำแล้วมันทำให้จิตใจมีความสงบมีความสุขนั่นเองนี่คือการสร้างความสุขให้กับตัวของเราโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งพาอาศัยสิ่งภายนอก เพราะถ้าเราต้องพึง่งพาอาศัยแล้วเราจะเดือดร้อนอยู่ตลอดเวลาเวลาเราใช้เงินไปหมดเราก็ต้องไปหาเงินมาใหม่เพื่อที่จะได้ไปซื้อของเพื่อจะได้ไปเที่ยวอีกแต่ถ้าเราทำบุญให้ทานเงินหมดเราก็จะไม่เดือดร้อนที่จะต้องไปหาเงินมาทำบุญทำทานอีกเพราะการทำบุญทำทานนี้ทำเพื่อที่จะปล่อยวาง เงินทองที่เรามีเหลือใช้นี่เองเมื่อหมดแล้วเราก็ไม่มีความอยากที่จะต้องไปหาเงินมาทำบุญอีกเพราะใจของเรามีความสุขมีความอิ่มมีความพอแล้วนั่นเองนี่คือวิธีที่จะสร้างความสุขให้กับเรานี่คือความรู้ที่เราจะได้รับจากการเข้ามาศึกษาเข้ามาบวทเรียน หรือเข้ามาฟังเทศฟังธรรมทุกวันพระอย่างที่ท่านทั้งหลายได้มากระทำกันเราจะได้มีความรู้ที่จะดูแลรักษาใจของเราให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขให้อยู่ปราศ จ, จากความทุกข์ความวุ่นวายได้นี่คือความรู้ขั้นที่หนึ่งคือการทำบุญให้ทานการความรู้ขั้นที่สองก็คือการไม่เบียดเบียนกัน การเบียดเบียนกันนี้จะเป็นเหตุที่จะทำให้เกิดความทุกข์ความวุ่นวายใจความประงวลใจให้กับตัวเรา<ม>เวลาเราไปเบียดเบียนผู้อื่นเราก็จะเกิดความกังวลเกิดความกลัวที่จะต้องถูกเขาจับไปลงโทษ<ม>เช่นเราไปลักทรัพย์ก็ดีไปฆ่าผู้อื่นก็ดี ไปทำอะไรที่ไม่ดีเช่นไปช่อกลวไปโกหกหลอกลวงผู้อื่นเราก็จะมีความหวาดกลัวกลัวที่จะต้องถูกจับไปลงโทษถ้าเราไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่นเราก็จะอยู่อย่างสบายอกสบายใจไม่ต้องกังวลกับเรื่องที่จะต้องถูกไปถูกจับไปลงโทษนี่คือการรักษาตน ให้อยู่ไกลจากความทุกข์ความวุ่นวายใจนั่นก็คือต้องไม่เบียดเบียนผู้อื่นคือต้องมีศีลห้าเป็นสมบัติประจำใจต้องรักษาศีลห้าไว้ให้ได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ในวัดหรือนอกวัดไม่ว่าจะสมาทานหรือไม่ได้สมาทานไม่สำคัญการสมาทานนี้เป็นเพียงพิธีเท่านั้นเองเป็นการแสดงเจตนาลม ว่าจ ะ, จะรักษาศีลห้าขอ้อแต่ถ้าเรารู้แล้วว่าศีลห้าข้อมีคุณมีประโยชน์อย่างไรช่วยเราได้อย่างไรเราก็รักษาไปเรื่อยๆไม่ต้องมาสมาทานในวันรพระเมื่อเรารู้ว่าศีลห้ามีอะไรบ้างเราก็เราก็รักษาไปไม่จำเป็นจะต้องมีพระมาให้ศีลกับเราเพราะ ก, การให้ศีล น, นี้ไม่ได้เป็นการให้ศีล เป็นการบอกศีลเป็นการสอนให้รู้ว่าศีลห้ามีอะไรบ้างเช่นมีการละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตละเว้นจากการลักทรัพย์ละเว้นจากการประพฤติผิดปรเวณีละเว้นจากการพูดปดมดเท็จละเว้นจากการเสพสุรายาเมาถ้าเราไม่ทำสิ่งทั้งห้านี้แล้วจิตใจของเราจะสบายจะไม่วุ่นวาย จะไม่มีเรื่องไม่มีปัญหาต่างๆตามมาอยู่ที่ตัวเราไม่ได้อยู่ที่คนอื่นปัญหาต่างๆเราเป็นคนสร้างปัญหาขึ้นมาเองด้วยการที่ไม่รู้จักวิธีรักษาใจของเราเวลาอยากจะได้อะไรมากๆก็พยายามหามาให้ได้ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดถ้าจะต้องรักทรัพย์ก็รักทรัพย์ถ้าจะต้อง ถ้าจะต้องพูดปดมดเท็จโกหกหลอกลวงก็จะต้องทำถ้าอย่างนี้แล้วก็จะทำให้เกิดผลเสียหายตามมากับตนเองต่อไปถ้าได้มาบวชเรียนไดมาไดยินได้ฟังธรรมะธรรมสอนก็จะได้รู้ว่านี่คือสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติสิ่งที่เราจะต้องรักษาก็คือศีลห้านี้เองถ้ารักษาศีลห้าได้แล้ว จิตใจของเราก็จะมีความสงบเมื่อมีความสงบก็จะมีความสุขและความสบายเมื่อมีความสุขความสบายแล้วทีนี้ก็อยากจะมีความสงบให้มีมากยิ่งขึ้นไปอีกตอนนี้ก็จะสนใจกับการภาวนาคือการนั่งสมาธิและการเดินจงกรมเพราะการนั่งสมาธิการเดินจงกรมนี้จะทำให้จิตมีความสงบ มากยิ่งขึ้นไปยิ่งกว่าการรักษาสีงเพราะเมื่อมีความสงบแล้วจิตจะมีความอิ่มมีความพอจะไม่หิวไม่อยากกับอะไรทั้งสิ้นจะไม่ต้องไปเลื่อนรลนไปหาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาให้ความสุดกับตนเช่นพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ทั้งหลายท่านได้บางเผ็นทานสีงภาวนาจนจิตใจของท่าน ได้ถึงจุดอิ่มตัวเต็มที่แล้วทานท่านก็บริจาคหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นสมบัติข้าวของเงินทองต่างๆสามีภรรยาบุตริดาก็บริจาคหมด mm hmm. เวลาออกบวชนี้ก็ไม่ได้เอาอะไรติดตัวไปเลยไปตัวเ ป, ปล่าๆแล้วก็มีสมบัติเพียงมีอยู่เพียง8ชิ้นไว้สำหรับดูแลรักษาชีวิตเท่านั้นเอง ก็คือผ้าสามผืนบาทหนึ่งใบมีโกนหนึ่งเล่มประคฏเอวหนึ่งอันได้เข็นกับได้หนึ่งชุดแล้วที่กรองน้ำหนึ่ง 1, อันนี่คือสมบัติของพระมีเท่านี้ก็อยู่ได้แล้วไม่จำเป็นที่ต้องมีอะไรมากมายเพราะมีอะไรมากเท่าไหร่ก็จะมีความทุกข์มากขึ้นไปเท่านั้นมีอะไรก็ต้องคอยห่วง ต้องคอยกังวลต้องคอยดูแลรักษาเมื่อจากไปหายไปก็เสีย อ, อกเสียใจร้อ ง, องห่มร้องไห้นักปราชญ์เช่นพระพุทธเจ้าจึงไม่สนใจที่จะมีสมบัติเกินความจำเป็นจึงทรงมีเพียงเท่าที่จะเป็นเท่านั้นสำหรับนักบวชก็มีเพียงบริคาร8ที่เรียกว่าอัตถะบริขารก็พอเพียงกับการ ดำรงชีพได้อย่างสบายแล้วสำหรับญาติโยมก็ขอให้เราพิจารณาว่าอะไรจำเป็นก็มีไว้อะไรไม่จำเป็นก็อย่าไปมีเช่นเสื้อผ้าเรามีความจำเป็นจะต้องใสสักกี่ชุดก็อลองพิจารณาดูถ้ามีมากกว่านั้นแลาไม่เคยใส่เลยเก็บไว้ในตู้ก็เอาไปแจกเป็นทานดีกว่าเป็นบุญเป็นกุศลเป็นการปล่อยวาง เป็นการทำให้ใจมีความสุขและมีความอิ่มเมื่อเราปล่อยวางโดยไม่ยึดติดกับข้าวของเงินทองเราก็จะไม่ได้เราก็จะไม่อยากจะได้ข้าวของเงินทองเมื่อไม่อยากได้ก็ไม่ต้องไปดิ้นรนไปหามาด้วยวิธีการที่ไม่ชอบเราก็จะเป็นผู้ที่มีศีลไปในตัวคนที่ทำบุญให้ทานอยู่บ่อยๆแล้วจะไม่ชอบเบียดเบียนผู้อื่น เวลาจะหาอะไรก็ต้องหามาด้วยความถูกต้องจะไม่ไปโกหกหลอกลวงจะไม่ไปแย่งสามีแย่งภรรยาของผู้อื่นจะไม่ไปลักทรัพย์ไปช่อโกงเอาทรัพย์ของผู้อื่นมาเพราะเห็นแล้วว่าทำไปก็จะมีแต่ความทุกข์ความวุ่นวายใจตามมาแล้วเมื่อมีศีลแล้วมีความสงบแล้วก็อยากจะบาเพ็ญภาวนา อยากทำจิตใจให้สงบมากยิ่งขึ้นก็จะหาเวลาเข้าวัดให้มากขึ้นถ้าไม่ได้เข้าวัดอยู่บ้านก็จะหาเวลาทำภาวนาแทนที่จะดูหนังดูโทรทัศน์ฟังเพลงก็จะสวดมนต์จะนั่งสมาธิแทนจะอ่านหนังสือธรรมะเพราะเมื่อได้ทำแล้วจะทำให้จิตใจมีความอิ่มเอิบมีความสุขเนี่ย อยู่เฉยๆก็มีความสุขไม่ต้องมีอะไรมาบำรุงบำเรอเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี่อยู่เฉยๆไม่ได้ต้องเปิดวิทยุฟังต้องเปิดโทรทัศน์ดูต้องออกไปเที่ยวต้องออกไปซื้อข้าวซื้อของมาแต่พอจิตใจมีความสงบที่เกิดจากการทำบุญให้ทานเกิดจากการรักษาศีลเกิดจากการภาวนาแล้วทีนี้อยู่บ้านก็มีความสุข ไม่มีที่ไหนจะมีความสุขเท่ากับบ้านของเราเพราะที่บ้านของเรานี่มีของทุกอย่างพร้อมบริบูรณ์มีอาหารมีที่หลับที่นอนมีห้องน้ำห้องท่าแสนจะสบายไม่เหมือนกับเวลาที่ออกไปข้างนอกแสนจะลำบากจะกินทีก็ต้องไปแย่งกันกินจะเข้าห้องน้ำก็ต้องไปแย่งกันเข้ามีแต่เรื่องลาบากลาบน แต่เพราะว่าเราไม่เคยดูแลใจของเรานั่นเองจึงทำให้ใจของเราหิวเลยต้องออกไปหาความสุขภายนอกบ้านและแทนที่จะเป็นความสุขก็เป็นความทุกข์เสียมากกว่าไหนจะต้องไปเสี่ยงภัยกับอุบัติเหตุต่างๆบนท้องถนนต้องไปเสี่ยงภัยกับคนไม่ดีต่างๆไปอยู่ที่เปลี่ยวก็อาจจะถูกคนจี้ถูกคนป้นถูกคนฆ่าตายไปได้ นี่แหละคือปัญหาของคนเราที่ไม่ได้เข้าวัดไม่มีความรู้ทางศาสนามีแต่ความรู้ทางโลกสามารถหาเงินหาทองได้มาเป็นจำนวนมากแล้วก็เอาเงินนี้ไปไปซื้อไปเที่ยวไปเสี่ยงภัยกับสิ่งภายนอกแทนที่จะมีเงินแล้วมีความสุขกลับจะต้องเสียเวลากับการใช้เงินใช้ทอง เมื่อใช้หมดไปก็ก็ต้องไปหามาใหม่ก็จะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนวันตายก็จะหาความสุขไม่เจอถ้าไม่ได้เข้าวัดไม่ได้บวชได้เรียนไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมถ้าได้ฟังเทศฟังธรรมแล้วก็จะรู้วิธีสร้างความสุขให้กับตนเองวิธีปัดเป่าป้องกันความทุกข์ต่างๆไม่ให้เข้ามาเหยียบย่ทำทาลายจิตใจของตนได้ นี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการบวชเรียนจากการศึกษาพระธรรมคำสอนจากการฟังเทศฟังธรรมจึงอยากจะให้ท่านให้ความสนใจต่อการศึกษาวิชาทางศาสนาบ้างอย่าไปหลงกับวิชาทางโลกเพียงอย่างเดียวเพราะจะเอาตัวไม่รอดจึงขอให้ท่านจงนำในสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ ไปพิริศพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสัควรแก่เวลาจึงขอยุดติไว้เพียงเท่านี้เพราะุณพระีรัตนตรัยและบุญกุศลที่ทําได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญ ทั้งในทางโลกและในทางธรรมโดยทั่วหน้ากัรเธอ